พระสาวกที่เจริญรอยตามบาทพระสัสดาได้ก็เพราะสนใจสัจจะเดียวกันนั้นด้วยจึงกล่าวได้ว่าสัจจะความจริงที่เหล่าอริยาเจ้าให้ความสนใจคือเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์นั่นเองเพราะเมื่อสนใจแล้วลงมือกระทาการเพื่อความเข้าถึงแล้วย่อมเป็นผู้ละทุกข์เสียได้อริยาสัจมีสข้อได้แก่หนึ่ง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 ถ้าไร้เครื่องช่วยประทังชีพหรือเมื่อเวลาป่วยไข้แล้วกายพยศแบบชัดๆอันนั้นก็เห็นสภาวะทุกของอุปาทานขันห้าได้ถนัดใจดีเหมือนกันแต่นอกเหนือจากนั้นละ่ะมีหลักฐานใดบ้างไหมที่ฉันยังสรเสริญการมีอยู่ของอุปาทานขันห้าเมื่อสำรวจจริงๆจัง ๆ, งๆฉันพบว่าขณะที่สติหายไปนอกขอบเขตกายใจจิตยังมีความอาไอาวอ์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 ฉันหยุดยืนมองกุฏิพระงามมองใบไม้เขียวต้องลมคลูเคลียวจิตใจเยือกเย็นไม่คิดเอาอะไรโลกนี้มีที่เดียวไม่น่าอยู่คือใจอันเป็นที่ตั้งของทุกนอกนั้นจรเฮเร่ร่อนไปนไหนๆก็ตามทุกแห่งคือสถานที่อันน่าเรื่นรมได้ทั้งหมดเข้าใจอารมณ์ของผู้สแสวงหาความหลุดพ้นที่ทิ้งได้หมดทุกอย่าง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 ก็สุดแท้แต่ว่าาสนาแล้วกัน